บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอนุสติคือการตั้งสติระลึกถึงธรรมะในอารมณ์ต่างๆนั้นอานาปานสติที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นอยู่ในข้อสุดท้ายของอนุสติทั้งหมด แต่เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติในเบื้องต้น <c oughs> ซึ่งบุคคลผู้ใส่ใจในการทำความสงบจิตถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติกันมากจึงได้นำมากราวไว้ในตอนแรกสำหรับในวันนี้จะย้อนต้นไปที่อนุสติข้อต้นตามลำดับไปอนุสติ เราวาการตั้งสติระลึกถึงคุณแห่งธรรมเหล่านั้นที่พระพุะาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเป็นอุบายวิธีที่จะทำจิตใจของบุคคลให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงแม้ว่าหลักการปฏิบัติจะทรงจำแนกแสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันก็าตาม ไปผู้ศึกษาปฏิบัติพึงทราบว่าหลักการเหล่านั้นเปรียบเหมือนถนนสายต่างๆซึ่งมีจุดรวมแห่งเดียวกันใครจะเดินมาจากถนนสายใดก็ตามเมื่อเดินมาโดยลำดับแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางแห่งเดียวกันสมาธินั้นมีจุดหมายอยู่ที่ความสงบระงับอิวาธรรมทั้งหาประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ใครจะเลือกปฏิบัติตามข้อใดก็าตามเมื่อปฏิบัติมาตามขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้ก็จะเกิดผลคือความสงบระงับนิวร์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องของอนุสติแต่ละข้อนอกจากจะเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วบางข้อเป็นการเสริมสร้างศรัทธาประสาธะ ความเชื่อความเลื่อมใสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนให้สูงยิ่งขึ้นและสามารถน้อมนํามาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตของตนให้สัมผัสคุณของพระัตตนาใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการสัมผัสด้วยใจคำว่าสติหรืออนุสตินั้นท่านแปลว่าตามระลึกหรือว่าระลึกได้ โดยความหมายในชั้นของการปฏิบัติแล้วตัวสติที่ระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นจะต้องเป็นการระลึกเนืองๆและเป็นการระลึกตามสมควรแก่อารมณ์เหล่านั้นบางคราวทรงใช้คำว่าทารณาคือการทรงอารมณ์นั้นไว้หมายถึงว่าพยายามควบคุมใจของตนให้รักษาอารมณ์นั้นไว อย่าให้ไปคิดในอารมณ์ภายนอกเมื่อบุคคลสามารถสงบได้ในอารมณ์นั้นๆแล้วผลคือสมาธิดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นอนุสติข้อแรกเรียกว่าพุทธานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์เนือง และระลึกตามสมควรแก่พระคุณในแต่ละข้อซึ่งก็หมายความว่าในการเจริญอนุสติแต่ละข้อนั้นนอกจากจะใช้สติตามระลึกอยู่ในพระคุณแต่ละบทนั้นแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทราบเนื้อหาในยะความหมายของพระพุทธคุณแต่ละบทว่าพระพุทธคุณแต่ละบทนั้นมีความหมายอย่างไร มีอธิบายอย่างไรซึ่งจะต้องอาศัยปริยัตคือการศึกษาจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณนั้นเป็นเบื้องต้นในการระลึกนั้นตามปกติแล้วเรื่องของกรรมฐานก็คือเรื่องการหากาเยุเวะให้ได้เสียก่อนคือให้ได้ที่สงดเงียบจากเสียงรบกวนเช่นเดียวกับอาณาปานสติและกรรมฐานข้ออื่นที่กล่าวมาแล้ว และเมื่อได้สถานที่เช่นนั้นแล้วบุคคลก็ตั้งสติระลึกถึงพระพุทธคุณในครั้งแรกก็ระลึกแบบสาธยายไปก่อนคือเริ่มจากอิติปิโสพระกวาเป็นต้นไปจนถึงพะกาวาติแต่ว่าเวลาตั้งสติระลึกนั้นให้เอาเพียงองค์ใดองค์หนึ่งแห่งพระพุทธคุณเท่านั้นเข้ามาระลึกโดยท่านมีข้อให้กาหนดระลึกไว ว่าต้องขึ้นด้วยคำว่าอิติปิโสภควาอารหังก็เป็นบทหนึ่งอิติปิโสภควาสัมมาสัมบุตโธอิติปิโสภควาสุกโตเป็นต้นคือระลึกเป็นคู่คู่ไปแต่ทุกคำนั้นจะต้องเพิ่มคำว่าอิติปิโสภควาเข้าไปด้วยซึ่งแปลเป็นใจความว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังเป็นพระอารหัน พอระลึกถึงบทสมาสัมพุโทโธก็ใช้คำว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ศัสรู้ดีศัสรู้ชอบด้วยพรุงเองเป็นต้นสำหรับในที่นี้จะถ่ายทิบายความหมายของคำว่าอารหังเพื่อให้สามารถระลึกได้ตามสมควรแก่พระคุณข้อนั้นและระลึกได้หนึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างความสงบ เิ่มพูนศรัทาปสาทะและได้แนวในการปฏิบัติเพื่อสัมผัสพระพุทธคุณบทนั้นคําว่าอารหังนั้นท่านแปลออกได้หลายนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือเป็นผู้ไกลหมายความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากอานาจของกิเลสทั้งหลายเนื่องจากทรงละกิเลสได้หมดสิ้นด้วยอาสวัคยานอย่างที่ทราบกัน แม้พระพุทธองค์จะดำรงพระชนอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีแต่เนื่องจากพระทัยของพระองค์ไม่มีกิเลสเป็นตัวเชื้อภายในอยู่เลยดันั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแก่พระองค์ได้ทั้งในด้านดีและไม่ดีพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอุปมาเหมือน แผ่นดินอุปมาเหมือนแม่น้ำแผ่นดินนั้นบุคคลจะทำอย่างไรกับแผ่นดินก็ไม่มี <c oughs> ก็ไม่มีความยินดียินรายเกิดขึ้นในการกระทำเหล่านั้นบุคคลอาจจะทิ้งดอกไม้ลงไปหรือทิ้งสองของสุกโปรกลงไปแต่แผ่นดินก็คือแผ่นดินไม่มีความยินดียินรายในอารมณ์เหล่านั้นเช่นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลส ไรจากอารมณ์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงจึงละได้ทั้งความยินดีและความยินไรซึ่งครอบงำสัตว์โลกอยู่อีกประการหนึ่งแปลว่าเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารและจักรได้ตามหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นั้นว่าชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในสังสารวัฏเหตุปัจจัยที่ทำให้คนต้องเวียนว่ายใจเกิดนั้นมีอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงซึ่งในแก่ความไม่รู้อริยสัจสี่เป็นหลักสำคัญ <c oughs> และตัวภวะตัณหาคืออาการที่จิตทะเยอทะยานอยากได้ในพบ ในชาติต่างๆก้อนี้จะพบว่าในชั้นของกุศลที่ทําให้คนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นเวลาบุคคลทํากุศลกรรมต่างๆมักจะปรารถนาพบที่ประณีตขึ้นไปเช่นต้องการบังเกิดเป็นเทพปบุตรเป็นเทพดิดาเป็นพรหมเป็นต้นซึ่งในแง่ของสังสารวัฏ ชั้นบุญกุศลที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในภพในชาติต่างๆนั้นภพชาติเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นประณีตแต่ว่าในแง่ของภพของชาติแล้วจะประณีตอย่างไรก็ตามย่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายหมุนวนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำลายอวิชชาคือความไม่รู้และภวะตัหาออกไปได้ ทำให้พระองค์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเยี่ยงสามัญจสัตว์ทั่วไปและแม้พระอาหารหันต์เหล่าอื่นก็ได้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้รับผลเช่นเดียวกันและในสังสารวัตน์รงแสดงว่ามีอภิสังขารคำว่าอภิสังขาร น, นั้นคือบุญบาปและ ฌานสมาบัติต่างๆบุญก็หมายถึงกุศลลเจตนาที่บุคคลกระทําลงไปเริ่มไปจากใจเป็นเบื้องต้นในการกระทํานั้นอาจจะกระทําทางกายทางวาจาหรือแม้แต่เป็นเรื่องของความคิดก็ตามการกระทําอันใดที่มีลักษณะขัดเกลาใจของตนให้มีความส ง, งบมีความสะอาดขึ้นการกระทําเหล่านั้นเรียกประบุญ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำก็คือความสุขกายสบายใจที่บุคคลผู้นั้นสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองส่วนที่บาปนั้นก็คืออกุศลเจตนาที่บุคคลกระทำลงไปแล้วเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลให้สูงขึ้นมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนที่บุคคลผู้นั้นจะสัมผัสได้ ไม่ว่าการกระทาเหล่านั้นจะเป็นการกระทาทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามการกระทาเหล่านั้นเรียกว่าเป็นบาปส่วนบุญอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของกุศลระดับสังสารวัฏได้แก่ผลของการบําเพ็ญสมาธิที่บุคคลเจริญบําเพ็ญอยู่สาบใดที่ไม่สามารถขจัดกิเลสได้หมดสิน้นสาบนั้นก็ต้อง อยู่ในพบในชาติอยู่แต่ก็มีความประนีตขึ้นไปอย่างที่ได้ว่ามาแล้วในส่วนนี้ดีสำหรับปุถุชนคนทั่วไปแต่เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายของพระเรียเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทำลายทั้งบุญและบาปโดยหมดสิน้นคือไม่มีทั้งบุญทั้งบาปการกระทมของพระพุทธองค์หลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านใช้คาว่า เป็นเพียงกิริยาเท่านั้นคือไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรเนื่องจากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดบุญบาปพระองค์ได้ละหมดสิน้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วและท่านบอกว่ามีชรามรณะเป็นเหมือนสี่ของล้อรถเหมือนสี่ของของรถที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นและสิ่งเหล่านี้ได้สอดใส่ชีวิตสัตว์ ทั้งหลายเข้าไปในไตรภพคือทําให้บุคคลต้องเวียนว่ายอยู่ในภพทั้งสได้แก่การมาภพภพทีย่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณทั้งหลายรูปประภพภพที่เกิดด้วยผลของสมาธิและอรูประภพภพที่เกิดด้วยผลของอรูปฌานตราบใดที่อวิชชาภาวะตัญหาบุญบาปยังมีอยู่ สาบนั้นชาติชรามารณะเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นในภพทั้งสามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหักสิ่งเหล่านั้นได้สิ้นเชิงจึงเป็นการยุติการบังเกิดในภพในชาติและประการต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ควรคำว่าควรนั้นได้แก่ควรแก่การบูชาควรแก่การศัการะควรแก่การไหวควรแก่การระลึกถึง บุคลัวไปเพราะพระบุตรีพระภาคเจ้านั้นแม้เพียงกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธองค์บุคคลที่รู้นัยยะรู้ประวัติรู้ความหมายของพระพุทธคุณแต่ละขอ้อพิจารณาตามไปก็จะเกิดความศรัทธาภาษาทะเปี่ยมล้นขึ้นภายในจิตใจในขณะนั้นจิตของบุคคลจะมีความสงบเจน็นปรากฏขึ้น ตามสมควรแก่ความสงบที่บุคคลได้สร้างขึ้นในขณะนั้นๆและแม้แต่การบูชาการทำสักการะโดยในยะอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การสักการะเป็นต้นเหล่านั้นอันบุคคลทั้งหลายได้กระทำแล้วเพราะการกระทำสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความเยือกเย็นภายในจิตใจของบุคคลเป็นไปเพื่อความรู้อันยิ่งของบุคคลเหล่านั้นที่สำคัญก็คือว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงได้บูชาต่อพระพุทธองค์ซึ่งบุญกุศลที่ได้เพิ่มขึ้นนั้นท่านเรียกว่าบารมีคือเป็นการเก็บการสะสม คุณธรรมความดีเอาไว้ภายในจิตใจเมื่อปริมาณแห่งความดีเหล่านั้นสูงขึ้นภายในจิตก็จะทำให้จิตใจของบุคคลผู้นั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแม้จะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็เหนียวโน้มรำลึกถึงพระพุทธคุณทำให้เกิดความอบอุ่นใจหายหวาดหายสะดุง้งลงไปได้อีประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่กระทำบาปแม้ในที่ลับข้อนี้จะเห็นว่าบุคคลบางคนที่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลมีธรรมนั้นอาจจะไม่กระทำบาปกรรมต่างๆในที่ปรากฏแก่สายตาของคนอื่นแต่บางเวลาเมื่อไม่มีบุคคลอื่นรู้บุคคลเห็นการกระทำของตน ก็อาจจะกระทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปได้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่กระทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งเนื่องจากทรงละกิเลสดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นการนัลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้ก็หมายความว่าในชั้นของการนัลึกนั้น <c oughs> บุคคลก็กาหนดนะลึกไปว่า อิติปิโสภะกวาอาระหังอิติปิโสภะกวาอาระหังหรือแม้แต่จะใช้คำว่าอาระหังเฉยๆก็ตามให้ใจของตนสงบอยู่กับพระพุทธคุณข้อนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือสมาธิจิตที่มีบทว่าอาระหังเป็นอารมณ์จิตในขณะนั้นไม่คิดถึงเรื่องเหล่าอื่นความสงบตามชั้นของสมาธิก็ก็จะเกิดขึ้น ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในชั้นของการน้อมนํามาพินิษพิจารณาย่อมก่อให้เกิดผลสองประการประการแรกคือเป็นการเพิ่มศรัทธาประสาทะขึ้นในพระผู้มีพระภาคเจา้าและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ดำรงชีวิตสืบต่อกันมาได้จนถึงปัจจุบันบัดนี้เป็นลาภของเราเหลือเกินที่ได้ถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกบุรุษพระองค์นี้ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ระลึกได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ตามสติกาลังความสามารถซึ่ง ผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ใช่คนทั่วไปจะสัมผัสได้เพราะแต่และอย่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากทั้งนั้นแต่สิ่งที่ศาสตร์ทั้งหลายได้ยากนั้นเราได้แล้วด้วยอัตภาพนี้ด้วยชีวิตนี้และในขณะนี้ความศรัทธาก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจจิตใจในขณะนั้นก็จะมีความผ่องใส พระสัทธาที่ปรากฏขึ้นนั้นจะคาจัดความขุนมัวความเศร้าหมองความลังเลสงสัยตลอดถึงพวกกาลมาชันต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงไปความผ่องใสที่บังเกิดขึ้นนี้เป็นการเสริมสร้างคุณภาพของจิตให้มีความสงบเย็นทิงขึ้นและเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสงบและการประพฤติปฏิบัติที่สูงสูงขึ้นไปได้ อีประการหนึ่งนั้นก็คือการน้อมนำเอาพระคุณแต่ละนัยยะมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนโดยอาศัยสํานึกที่ชอบที่ควรให้เกิดขึ้นว่าเรานี้เป็นพุทธมามากะเป็นพุทธมามิกาเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพุทธศาสนกในพระพุทธศาสนา ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระหันพระองค์นั้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเรานั้นทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสทางลายไม่ตกอยู่ภายใต้ของอารมณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นในบางโอกาสในบางขณะที่จิตใจถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสนานาชนิด หรถูกกระแทกกระทันจากอารมณ์ภายนอกถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยในยะนี้ก็จะทำให้จิตใจเกิดความกล้าหาญว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเรานั้นไม่ทรงวันไหวในอารมณ์ไม่ตกไปตาภายใต้อํานาจของกิเลสทั้งหลายก็เราซึ่งเป็นศาสนิกของพระพุทธองค์ควรจะไปปฏิบัติตามพระองค์ให้ได้ ตามสมควรแก่สติกำลังของตนถ้าหากว่าได้มนัศิการได้นึกได้พิจารณาอยู่เช่นนี้อารมณ์ที่ไม่แรงเกินไปกิเลส ท, ที่ไม่มากเกินไปสามารถที่จะบรรเทาบาบางลงไปได้และในกรณีที่อารมณ์นั้นแรงหรือกิเลสแรงก็บัรเทาจากเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กลงไปได้หรือว่าได้พิจารณาตามนัยยะที่สองที่ว่า พระภูมีพระภาคเจ้าทรงหักกรรมแหงสังสาระจักได้คือทำลายอาวิชชาได้ทำลายภาวะตันหาได้ละบุญและบาปได้เป็นต้นอย่างในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อบุคคลสานึกว่าพระพุทธเจ้าละอวิชชาได้เราก็ควรจะพยายามบรรเทาอาวิชชาให้เบาบางลงไปบ้างราะวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้น จะพบว่าถ้าสนองตอบกันอยู่เรื่อยๆแล้วโอกาสที่จะเกิดคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่ามีคำว่าพอคำว่าหยุดนั้นมีไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดได้เราในฐานะที่เป็นศาสนิกควรพยายามตัดเส้อบ้างบันทาสีบ้างเพื่อไม่ให้จิตทายไปในอารมณ์ต่างๆมากจนเกินไปดํารงชีวิตตนอยู่ให้ส ง, งบตามสมควรแก่สติกาลังที่จะกระทาได้ ในเรื่องบุญกับเรื่องสมาธิภาวนาเป็นต้นนั้นในชั้นของกุศลกรรมที่ยังทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นแต่ยังมีนัยยะหนึ่งคือเรื่องของบาปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละได้โดยสิ้นเชิงนั้นเมื่อบุคคลระลึกถึงนัยยะของพระพุทธคุณที่กล่าวแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงละบาปได้โดยสิ้นเชิงเราในฐานะศาสนิกก็ควรที่จะพยายามละบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบาปใหม่ที่จะผ่านมาทางประสาทสัมผัสด้วยการตั้งจิตด้วยผิดของบุคคลนั้นๆแต่แก่การไม่สำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรมกลิ่นเป็นต้นปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจเข้ามาทาลายจิตใจให้เกิดความขุดมัว แทนที่จะใช้สติระ ล, ลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ใดที่มีค่าว่าจะทำใจให้เกิดความคุณมัวทราบมองก็ปิดกั้นกระแสอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ไม่เข้ามาสู่จิตหรือเข้ามาแล้วก็ไม่ตรึกนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นต่อให้ยุติลงเพียงแค่นั้นซึ่งถ้าหากว่ากระทำได้เช่นนี้ก็เปรียบเหมือนประกายไฟที่ตกลงมาบุคคลปัดทิ้งไปได้พลอยก็ไหม้บุคคลนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปล่อยให้ตกอยู่แล้วลุกลาไม้ต่อไปไฟก็จะก่อความ ร, าร้อนให้เบิกบังเกิดขึ้นแก่ตนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นแ้่ปิดกัน้นได้บ้างบรรเทาได้บ้างความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพวกบาป พ, พวกอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจบางเรื่องได้เก็บหมักสะสมไว้เป็นเวลานานหรือเกินแล้ว ได้สร้างความทุกข์ความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนมากมายหลายครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งแล้วพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นพยายามขัดเกลาวออกไปจากจิตใจซึ่งการขัดเกลายนั้นได้แก่การน้อมนึกถึงบุญกุศลก็ได้หรือพยายามไม่ระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นเหตุให้จิตใจขุดมัวเหล่านั้นก็ได้แต่อย่างผลก็จะออกมาเป็นความสงบเย็นตามสมควรเช่นเดียวกัน และในการไม่กระทำบาปของพระพุทธเจ้านั้นทรงไม่กระทำบาปทั้งไหนที่รับและในที่แจ้งดังนั้นในฐถานะที่เป็นศาสนิกเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ผู้ไม่กระทำบาปทั้งไหนที่รับและในที่แจ้งเช่นนี้บุคคลก็อาจจะน้อมรำลึกถึงพระคุณในยะนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่กระทำบาป ทั้งต่อหน้าและรับหลังคนในข้อนี้คนเก่าแก่โบราณนั้นท่านมีความทราบซึ้งในธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนั้นมากและท่านอาศัยนิยะตต่างๆที่ทรงแสดงไว้นั้นมาเป็นหลักในการคุ้มครองจิตใจของตนหักข้ามจิตใจของตนไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์และกระทำบาปลงไป ในการกระทําความดีไม่ว่าคนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามคนแต่ก่อนท่านมีแนวคิดว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็จะเห็นท่านก็พร้อมที่จะกระทําความดีและในกรณีที่ละเว้นความชั่วแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่เห็นคือในที่ลับนั้นท่านก็พร้อมที่จะกระทําโดยมีความรู้สึกประทับใจว่าอายผีสางเทวดาเขา ซึงแสดงเห็นว่าความคิดในยะนี้มีส่วนอย่างสําคัญในการปิดกั้นกระแสของบาปของอกุศลไม่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจเพระาะฉะนั้นในยะแห่งพระพุทธคุณบทนี้จึงอํานวยผลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามระลึกได้ถึงสามช่วงด้วยกันช่วงแรกคือสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจตามในยะของ อนาปาณสติหรืออารมณ์กรรมฐานข้ออื่นโดย ด, ำดำําดับประการที่2เป็นการเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นประการที่สเป็นการหาหลักเพื่อเป็นแนวในการดำเนินตามพระจริยาของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตามไปในขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตาม ชื่อว่าได้ดำเนินชีวิตของตนตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นการสัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจของตนและจะย้อนมาเพิ่มความส ง, งบและศรัทธาประสาทธให้เพิ่มขึ้นภายในจิตใจอีกต่อหนึ่งเพราะความเป็นปัจจัยของการละกันอาศัยซึ่งการละกันแห่งธรรมะทั้งหลาย ดังที่เคยกราบแล้วต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป